Mm hmm. พาสิทหนึ่งที่เราคุ้นเคยนะได้ยินเป็นประจำก็คือพาสิทที่ว่าแพ้เป็นพร ะ, นะชนะเป็นมารภาสิทธนี้คนที่เข้าใจจริงๆก็มีน้อยนะคือไปเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นแค่การปลอบใจว่าถ้าเราแพ้ก็เออเราเป็นพระนะส่วนคนที่ชนะนี่เขาเป็นมารอันนี้ พาสิทธ น, นี้จริงๆแล้วนี่คงไม่ใช่เพื่อการปลอบใจผู้ที่พ่ายแพ้แต่ว่าเป็นการเตือนใจให้รู้จักยอมรับนะความพ่ายแพ้การพ่ายแพ้กับการยอมรับความพ่ายแพ้มันไม่เหมือนกันนะบางคนพ่ายแพ้แต่ใจยอมรับไม่ได้ถ้าใจยอมรับไม่ได้เนี่ยก็จะมีความทุกข์แล้วก็อาจจะ เกิดความโกรธแค้นผู้ที่ชนะก็าจะากลายเป็นว่าไปราวีนะอย่างที่มีคำพูดว่าในวงการฟุตบอลสมัยก่อนว่าบอลแพ้คนไม่แพ้เียอันนี้เรียกว่าไม่รู้จักยอมรับความาแพ้เดีย๋ยวนี้เราก็เห็นกันมาว่าคนที่ในชาติทุกวงการเนี่ย โดนทั้งในวงการกีฬานี่คนไม่ค่อยยอมรับความแพ้แพ้เท่าไหร่ก็จะเรียกว่าขี้แพ้ชนตีบ้างหรือว่ามีการทะเลาะเบาแวงกันจึงกะยกพวกตีกันบ้างในวงการฟุตบอลก็มีบ่อยๆถ้าเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าแพ้แบบนี้ไม่ใช่เป็นพระแน่นะแพ้แบบนี้ก็เป็นมาร น, นะเพราะว่าสาเหตุหลก็คือว่าไม่ยอมรับความพาแพ้แพ้ เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าสุภาษิตที่ว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเนี่ยถ้าจะพูดได้ถูกต้องก็คือว่าถ้ารู้จักยอมรับความพ่ายแพ้เนี่ยก็เป็นพระนคะครับโดยการถ้าหักหลงในชัยชนะยกตนข่มท่านโดยเพราะผมคนที่แพ้นี่ก็เรียกว่าเป็นมารได้ลำพังการชนะนี่มันไม่ทำให้เป็นมาร น, น, นะแต่ว่าไปเกิดความ หลงตัวลืมตนลุ่มหลงในใชัยชนะแล้วก็ไปดูถูกดูเป็นคนที่พายแพ้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นมาอย่างแน่นอ น, นเรื่องการยอมรับความพ่ายแพ้เนี่ยนะเมื่อเรายอมรับแล้วเนี่ยใจเราก็จะสงบลงได้นะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นน้ำใจนักกีฬานะน้ำใจนักกีฬาคือยอมรับความ่ยแพ้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าพอพ่ายแพ้แล้วจบกันนะ ก็เริ่มต้นเพียรพยายามกันใหม่หรือว่าเริ่มต้นแข่งขันกันใหม่ไม่ใช่ว่าพอยอมรับความแว่แพ้จะหมายถึงว่าจบนะไม่มีความเพียรพยายามอีกต่อไปอันนั้นไม่ใช่ยิ่งคนร้อนนี่ถ้ารู้จักยอมเสือบังนะโดยพอยอมรับความจริงนะมันจะช่วยทำให้ชื่อร้อนนี่มีความสุขขึ้นเยอะ การยอมรับความพ่ายแพ้นี่ก็เป็นส่วนของการยอมรับความจริงความจริงคือว่าเออพ่ายแพ้แล้วเนี่ยเราก็ยอมรับเมื่อเรายอมรับแล้วเนี่ยใจมันจะคลายจากความทุกข์มากคนที่ทุกข์จำนวนไม่น้อยเนี่ยทุกข์เพราะเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมรับความจริงไม่ใช่แค่เฉพาะว่าเรื่องความพ่ายแพ้เท่านั้นนะจอาจจะรวมถึงเวลาเกิดเหตุร้าย อื่นๆแบบอื่นเกิดขึ้นกับตนเช่นเจ็บป่วยนะเจ็บป่วยก็ไม่ยอมรับความจริงว่าความเจ็บป่วยได้เกิดขึ้นแล้วก็ยังตีอกชกหัวแล้วก็หรือว่าตีโพยตีพายทําไมต้องเป็นชั้นทําไมต้องเป็นชั้นชันอุสาห์ทำความดีรักษาศีลให้ทานมาทําไมถึงต้องมาเป็นมะเร็งด้วยเนี่ยอันนี้มันแสดงถึงอาการของใจที่ไม่ยอมรับความจริง แล้วคนที่ไม่อยอมรับความจริงเนี่ยนะมันก็จะทําให้ใจเป็นทุกข์ก็ไปซ้ําเติมกายที่ทุกข์อยู่แล้วนะกายนี่ทุกข์อยู่แล้วเพราะความป่วยพอใจนี่ทุกข์เข้าไปอีกเพราะว่าไม่อยอมรับความจริงก็อาจจะทําให้อาการทางกายเนี่ยซุดลงหนักขึ้นกว่าเดิ ม, มบางคนที่แรกก็ไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งพอไปหาหมอหลายครั้ง หมอก็บอกความจริงว่าป้าๆเป็นมะเร็งนะอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนจะตกใจมากไม่ยอมรับจะเป็นเพราะความกลัวตายหรือเพราะว่าความวิตกกังวลว่าจะต้องเจ็บต้องปวดหรือว่ากลัวว่าจะสูญเสียพัดภาคจากลูกจากหลานจากคนรักใจมันไม่ยอมมันต่อต้านมันต่อสู้มันดิ้นรนก็เลยกลายเป็นว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับบอกว่าอยู่ได้แค่สิบสองวันก็ตายจา้านที่ หมอบอกว่าอยู่ได้สามเดือนบางคนนี่ใจเขายอมรับเอเป็นก็เป็นนะก็ยอมรับมันแล้วก็พยายามที่จะรักษาตัวรักษาใจให้ดีบางทีอยู่ได้นานนานกว่าที่หมอบอกอีก่นะมีเพื่อนกับเพื่อนคนหนึ่งก็เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งตับมหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่ไม่ถึง6เดือนปรากฏว่าหปีแล้วก็ยังก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ ใจตรงข้ามถ้าเกิดว่าใจมันไม่ยอมรับใจมันปฏิเสธปฏิเสธความจริงที่เกิดขึ้นแล้วนะก็จะทำให้ทุกข์ใจและพอทุกข์ใจมันก็ทำให้กายนี้แย่ลงจนทั้งตายเร็วลำพังก้อนมะเร็งไม่ทำให้ตายเร็วถึงส2บสองวันนะอาจจะสามเดือ น, นหรือ6เดือนได้ซ้ำแต่พอทุกข์ใจแล้วนี่ก็ไปเลยนะเวลาของหายของเสียก็เหมือนกันนะ ถ้าใจไม่ยอมรับความจริงนะมาของมันเสียไปแล้วหายไปแล้วก็จะทุกข์มากนก็กลายเป็นว่าไม่ได้เสียแต่ของนะแต่ใจก็เสียด้วยหรือพูดถูกต้องก็คือว่าไม่ใช่เสียแต่ของอย่างเดียวความสุขก็เสียไปด้วยแล้วของหายแต่ใจเป็นสุขใจเป็นปกติก็ยังทำได้นะแต่พอใจมันไม่ยอมรับพอใจไม่ยอมรับความจริงไม่ว่าของชิ้นนั้นมันจะราคาเท่าไหร่ก็ตาม มันก็ทำให้ใจเป็นทุกข์มากขึ้นอันนี้แหละที่เรียกว่ากลายเป็นตกนรกเข้าไปเลยนะเพราะว่าการไม่ยอมรับความจริงอกหักหรือว่าแฟนทิ้งนะมันก็เป็นความจริงที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถที่จะย้อนเวลาเปลี่ยนอดีตได้เมื่อเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ควรทำอย่างแรกคือยอมรับความจริง ถ้าไม่อมรัความจริงก็จะกลุ้ม อ, อกกลุมใจบางคนก็ถึงกับคิดสั้นฆ่าตัวตายเวลางานล้มเหลวมันก็คือความจริงอันหนึ่งที่เราต้องยอมรับเมื่อเรายอมรับแล้วนะมันก็ช่วยทําให้ใจเราทุกน้อยลงยิ่งถ้าเกิดว่าเรารู้จักมองหาประโยชน์จากมันว่าเออที่เราร่มเหลวเพราะอะไร เราก็จะได้ประโยชน์ได้กําไรได้บทเรียนแต่คนเรานี้จะเริ่มต้นสอดส่องมองหาข้อผิดพลาดมันก็ต้องเริ่มต้นจากการที่ใจเนี่ยยอมรับความจริงก่อนเพราะถ้ใจไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับความล้มเหลวมันก็จะเอาแต่บน่นตีโพยติภายเกิดอารมณ์ปัญญาก็ไม่สามารถจะเอามาใช้งานได้เพื่อที่จะสอดส่องพิจารณาว่าผิดพลาดเพราะอะไรใจมันไม่ว่าง แต่พอใจว่างพอย้อรับความจริงแล้วนี่สติปัญญาก็เข้ามาทำหน้าที่มาดูว่าเออผิดพลาดเพราะอะไรกลายเป็นได้ประโยชน์ได้กำไรมีคนหนึ่งก็พูดไว้ดีว่าเวลาทำงานยากๆนี่หาว่าสำเร็จก็แฮปปี้มีความสุขถ้าไม่สำเร็จก็ฉลาดขึ้นกว่าเดิมไม่มีเสียมีแต่ดีทั้งขึ้นทั้งลงสาเร็จก็ดีใจมีความสุขไม่สำเร็จก็ฉลาดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่า ได้บทเรียนได้ประสบการณ์แต่บทเรียนประสบการณ์นี่มันไม่ใช่ว่าจะได้มาเปล่าๆามันต้องเกิดจากใจที่ยอนรับความจริงก่อนถึงจะสามารถที่จะมองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นได้แล้วลองดูนะที่คนเรามีความทุกข์กันเป็นจํานวนมากเนี่ยโดยเฉพาะเวลาประสบกับเหตุร้ายที่ไม่พึงปรารถนานเนี่ยนะเราไปซ้ําเติมตัวเองด้วยการที่ วางใจไม่ถูกปฏิเสธความจริงไม่อยอมรับความจริงเพียงแค่ยอมยอมรับความจริงนี่ก็ทาให้ความทุกข์นี่ลดลงไปเยอะทุกข์กายแต่ว่าใจไม่ทุกข์นะของหายนะแต่ว่าใจไม่หายความสุขไม่หายไปด้วยแล้วแถมยังจะได้ประโยชน์ได้บทเรียนได้แง่คิดที่จะไปปรับปรุงในการดําเนินชีวิตต่ตอไปที่คนเราไม่ยอมส่วนนึก็เพราะว่า กิเลสเนี่ยมันชักใหญ่อยู่เบื้องหลังอย่างเช่นคนที่ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ก็เพราะว่ามีตัวที่เรียกว่ากิเลสตัวที่ชื่อวมานะมานะนี้ไม่ได้แปลว่าขยันนะมานะเป็นกิเลสตัวหนึ่งมันแปลว่าการถือตัวถือตนหรือว่าความอยากใหญ่อยากเด่นซึ่งมักจะเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้ ไอตัวมาน่านี่มันจะไม่ยอมมันจะอยากเด่นอยู่เสมอมันก็เลยไม่ยอมแพ้มันก็จะเรียกว่าถ้าแพ้บอล น, นะแต่ว่าคนไม่แพ้ก็แล้วกันนะถึงแม้ฉันจะแพ้บอลแต่ว่าฉันตีหรือต่อยอีกฝ่ายหนึ่งชนะยังไงขอให้ชนะสักทางใดทางหนึ่งก็ได้อันนี้เราคนที่ไม่ยอมแพ้ไม่รู้จักอยอมรับความแายแพ้ไม่อยอมรับความจริงมันก็จะหาทางที่จะตอบโต้ด้วยวิธีที่รุนแรง เพื่อให้ตัวเองนี้โดดเด่นขึ้นมาบางทีเห็นคนอื่นดีกว่าก็ไม่ยอมนะใครดีกว่าใครเด่นกว่าก็ไม่ยอมนะไอ้ตัวที่ไม่ยอมเนี่ยก็เคยทำให้เกิดความอิจฉาหาทางกันแกล้งหาทางเล่ยขาเก้าอี้เขาหรือหาทางโจมตีใส่ลายอันนี้มันเกิดจากจิตที่ไม่ยอมไม่ยอมที่จะเห็นเขาดีกว่าเด่นกว่าตอนนั้นที่เขาอาจจะเด่นกว่าดีกว่าเพราะความสามารถของเขา คนที่มีใจที่ไม่ยอมแบบนี้ก็จะทุกขนะ์เรียกว่าร้อนร้อนที่ใจบางทีเขาก็พูดเป็นภาษารูปประทานว่าอิจฉาตาร้อนเนี่ยนะอันนี้ก็หมายความว่ามันเกิดความไม่ยอมขึ้นเพราะว่าตัวมานะเป็นแรงผลักดันหรือบางทีก็ไม่ยอมที่เห็นคนอื่นเขามีมีโทรศัพท์รุ่นใหม่กว่าเรามีเงินมากกว่าเรามีบ้านหลังใหญ่กว่าเรา อันนี้ก็เป็นความความไม่ยอมเพราะตัวตันหานะกิเลสมันมีสามตัวใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันก็คือโลภโกรดหลงแต่ว่าบางทีเขาก็เรียกอีกแบบหนึ่งว่ามานะตันหาทิฏฐินะมานะนี่มันเป็นตัวกระตุ้นให้โกรธไอตัวตันหานี่ก็ตัวเดียวกับโลภะนั่นแหละรวมทั้งไม่ยอมเวลาของหายเงินหาย ไม่ยอมเพราะว่าตัวตันหามันเพี้ยมผลักเพราะว่าตันหามันอยากมีอยากมีให้มากๆเพราะฉะนั้นมันจะไม่ชอบความสูญเสียเมื่อใดก็ตามที่เสียไม่ว่าจะเสียเพราะหายเสียเพราะขาดทุนหรือเสียเพราะคนออกไปก็ตามหรือว่าเสียเพราะตัวเองทำตกหล่นหายไปเองมันจะไม่ยอมของหายไปแล้วแต่ใจก็ยังหวนคิดค้นหาด้วยความเสียใจ อันนี้ก็ทุกอีกแบบนึงทุกเพราะไม่ยอมสูญหายสูญเสียก็เป็นเพราะตัวตันหาทิศฐิก็เหมือนกันนะไม่ยอมนะใครที่คิดต่างจากเรานจะไม่ยอมเดี๋ยวนี้บ้านเมืองทะเลาะ ก, กันมากเพราะตัวทิศทินี่ก็เยอะแต่ที่จริงไม่ต้องอื่นไกลนะบางทีคนใกล้ชิดคนในครอบครัวในที่ทํางานหรือแม้แต่ในวัดเดียวกันในสํานักเดียวกันบางทีก็ทะเลาะ ก, กันก็เพราะว่าความไม่ยอมกันในเรื่องของ ความเห็นที่ต่างกันบางนี้ก็เถียงกันเรื่องการปฏิบัติว่าเอ้ยแบบนี้ถูกหรือผิดนะเถียงกันว่าครูบาอาจารย์ของฉันถูกครูบาอาจารย์แกผิดหรือว่าบางทีก็ไม่ยอมที่จะไม่ยอมรับความผิดพลาดถ้าบางคนทําผิดไปแล้วก็ปฏิเสธเสียงแข็งไม่ยอมรับคําวิ จ, จารณ์ คนเป็นก็ทุกข์กันมากนะเพราะว่าพอถูกวิจารและไม่ยอมรับก็เลยตอบโต้ด้วยการทะเลาะ ก, กันอันนี้ก็เป็นเรื่องของมานะมานะนี่มันไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดหรือว่าตัวเองมีข้อบกพร่องมันก็จะเถียงก็จะต่อสู้ที่ทำงานก็เลยกลายเป็นนรกหรือบางทีบ้านก็กลายเป็นนรกเพราะว่าแรงผลักของตัวมานะผสมกับทิฐิด้วยแต่พอเรายอมนะยอม การยอมนี่มันไม่ใช่ง่ายเพราะมันกาลังเรากําลังฝืนฝืนอำนาจของมานะตันหาและทิฐิลองสังเกตดูนะใจเราเนี่ยเวลามานะตันหาทิฐิมันครองใจเนยมันจะไม่ยอมเลยมันจะพยายามที่จะสู้ให้ได้เวลามีใครมาดินทาหรือว่าซุบซิบเหล่านี้จะไม่ยอมนจะต้องตอบโต้ จางนั้นที่ก็ใจหนึ่งก็บอกว่านิมทาไม่ดีแต่เราก็อยากจะทำอย่างนั้นเหมือนกันกันกบเขาเขาใส่ร้ายการใส่ร้ายเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เราก็อยากจะทำสิ่งเดียวกันกันกบเขาเพื่อเป็นการตอบโต้นี่เพราะอะไรเพราะอำนาจของมารนณะ์อำนาจของกิเลสเวลาใจเราจะยอมนี่มันเลยกลายเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเราลองฝึกให้ยอมได้เนี่ยมันจะเป็นการสยบตัว มานะตัวตันหาตั ว, ต ว, ตวทิฏฐิไปได้เยอะเลยใครเขาจะมีมากกว่าชั้นก็ช่างเขานะฉันมีแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้วนะอย่างเงินหายไปของหายไปก็ไม่เป็นไรนะฉันก็ยังมีอยู่เยอะไอ้คาว่าไม่เป็นไรหรือช่างมันเนี่ยมันก็เป็นการช่วยทําให้เราเนี่ยยอมรับความจริงได้อันนี้ก็พูดในกรณีที่ของคนที่ยังถูกกิเลสครอบงํา นะหรือว่าในกรณีที่ประสบเหตุร้ายก็ทำให้เป็นทุกข์เพราะความไม่ยอมแต่บางทีแม้กระทั่งในหมู่คนที่ตั้งใจทำความดีนะตั้งใจทาความดีบางทีก็ไม่ยอมเหมือนกันนะแล้วก็ทุกข์เพราะความไม่ยอมนั้นเช่นเวลาเราสนใจที่มาปฏิบัติธรรมแล้วมันเกิดความโกรธขึ้น เราจะไม่ยอมรับว่าตัวเองโกรธเราจะไม่ยอมรับความโกรธนะนักปฏิบัติทําโกรธไม่ได้นะก็กลายเป็นว่าเป็นทุกข์เพราะความโกรธนั้นเพราะพยายามไปกดข่มความโกรธเอาไว้ความโกรธในตัวมันเองเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ดูมันเฉยเฉยเราก็ยอมรับมันเออโกรธก็โกรธไปแล้วก็ดูมันไปนะมันจะเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของมันยอมให้มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ไปกดข่มมันมันก็ทำอะไรไม่ได้ อาจจะเห็นใจที่มันร้อนพ่าอยู่ข้างในแต่ว่ามันก็ไม่ชา้าไม่นานก็สงบลงล้วปฏิบัติ บ, ตบางคนก็นะก็รู้ว่าจำเป็นต้องมาฝึกจิตต้องมาทำสมาธิภาวนาแต่พอทำแล้วปรากฏว่าใจมันฟุง้งนะพอใจมันฟุง้งก็เลยทุกข์ขึ้นมาเลยทุกข์เพราะอะไรนะไม่ใช่ทุกข์เพราะความฟุ้งนะแต่ความทุกข์ส่วนใหญ่หรือว่าความทุกข์ในสัสดส่วนที่ เรียกว่าหลายเปอร์เซนต์นะสใน3เนี่ยก็ว่าได้มันเกิดเพราะใจไม่ยอมรับความฟุง้งเพราะว่าอุตส่าห์ตั้งใจจะมาปฏิบัติก็เพื่อให้มันสงบใจมันปรารถนาความสงบอยากจะได้ความสงบเพราะฉะนั้นพอเกิดความไม่สงบเ ก, กิดความฟุง้งซ่านมันก็เลยไม่ยอมรับนักปฏิบัติจํานวนมาก ม, มีความทุกข์เพราะเหตุนี้นะทุกข์เพราะว่าใจไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับความฟุง้งซ่าน ทั้งนที่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเราปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านมาเป็นเวลาหลายสิปีแล้วนะเป็นธรรมชาติของมันแล้วนีคราวนี้พอเราจะเริ่มปฏิบัติเนี่ยจะให้มันหายฟุ้งซ่านทีเดียวก็ไม่ได้นะมันก็ต้องฟุ้งซ่านเป็นธรรมดาของมันเหมือนกับเด็กวัยรุ่นที่ถูกปล่อยให้ไปเที่ยวเล่นนอกบ้านนะตามอาเภอใจมาช้านานอยู่ดีๆจะให้เขาอยู่บ้านเขาก็ กระสับกระสายเท่านั้นแหละนะเหมือนติดคุกแล้วก็ต้องหาทางออกไปให้ได้จะให้เขากลับมากลายเป็นคนเรียบร้อยนะอยู่บ้านอยู่ติดบ้านในชั่วฉับพันมันเป็นไปไม่ได้เราต้องยอมรับความจริงของเขานะว่าเขาเป็นอย่างนี้มานานเราก็ต้องค่อยๆตล่อมไปในัจใจเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันฟุ้งซ่านก็ยอมรับมัน ยอมรับไม่ไปพยายามที่จะกดข่มมันเพราะถ้ายังไปกดข่มมันก็ยิ่งทําให้มันฮึดสู้มันต่อต้านจิตมันก็จะดิ้นมากขึ้นก็เป็นทุกข์นะนอกปฏิบัติส่วนใหญ่ไม่ได้ทุกขเพราะความฟุ้งซ่านนะแต่ทุกเพราะใจไม่ยอมรับความฟุ้งซ่านหรือผพยานเพื่ใวใจนี่มันไม่เป็นกลางนะต่อความฟุ้งซ่านบางทีมีความอาการที่เลือกที่รักมากที่ชังเลือกความสงบแล้วก็ รักความสงบชังความไม่สงบความฟุง้งซ่านพอไม่ได้ความสงบอย่างที่ต้องการก็จะเกิดความพืดทัดขัดใจเกิดไม่พอใจขึ้นม า, างั้นถ้าเราลองวางใจเป็นกลางต่อความฟุงนะ้งซ่านเออมันจะเกิดขึ้นก็ก็ดูมันไปหรือว่ามันจะเกิดขึ้นก็เรื่องของมันนะฉันก็ยังปฏิบัติต่อไปถ้าทางี้ได้เนี่ยการปฏิบัติก็จะเจริญก้าวหน้า แต่และคนพอฟุ้งซ่านหนักๆเข้าก็เลิกเลยบางทีนั่งสมาธิแค่ห้านาทีพอฟุ้งซ่านก็เลยเลิกเลยอันนี้เพราะว่าใจไม่อยอรับความจริงใจมันไม่เป็นกลางต่อความฟุ้งซ่านเป็นความเป็นกลางต่อความฟุ้งซ่านคือเห็นมันเฉยๆโดยที่ไม่ไปทำอะไรกับมันยอมรับมันก็คือดูมันเฉยๆมันจะเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของมันฉันไม่ต่อยายด้วย ฉันก็จะทำของฉันไปการยอมรับในที่นี้มืนก็ตรงเป็นเรื่องเดียวกับการดูหรือการเห็นโดยไม่เข้าไปเป็นไม่เข้าไปผักสายกดขมมันเวลามีความสงบก็ก็เหมือนกันแล้วก็เป็นกลางต่อความสงบไม่ใช่พอมันเกิดขึ้นก็ดีใจว่ไปหมายมั่นยึดครองมันอยากจะให้มันเกิดขึ้นนานๆท่าน ท, ที่คิดแบบนี้ทุกเลยนะเพราะว่า พอมีความอยากจะให้มันอยู่ได้นานๆก็จะมีความกลัวลึกๆว่ามันจะหายไปเพราะความอยากความกลัวมาด้วยกันอยากให้สงบว่ากลัวไม่สงบเมื่อคนอยากรวยก็ลึกๆก็คือกลัวกลัวจะไม่รวยอยากถูกหวยก็ลึกๆก็จะมีความกลัวว่าไม่ถูกหวยความอยากความกลัวมาด้วยกันตลอดเวลามันเป็นเหรียญที่มีสองด้านหรือสองด้านของเหรียญเดียวกัน อันพอใจอยากให้มันสงบหรืออยากให้มันสงบนานๆเนี่ยมันก็จะมีความทุกเกิดขึ้นน้อยๆแล้วยิ่งพอมันไม่สงบจริงๆความสงบหายไปอันนี้ทุกเลยไม่ใช่ทุกเพราะไม่สงบนะแต่ทุกเพราะความยึดติดในความสงบต้องแยกให้ดีก็คือใจมันไม่เป็นกลางนั่นแหละใจมันมีความเรียกว่าไฟหาติดยึดนะลหลงไหลความสงบ และเกลียดความไม่สงบเกลียดความฟุ้งซา่านใจมันปฏิเสธมันต่อต้านลองสังเกตดูเราเราปฏิบัติเนี่ยนะพอมันฟุ้งซ่านเนี่ยลองเห็นไหมเห็นใจที่มันไม่ชอบไหมความฟุ้งซ่านนั้นเห็นใจที่มันปฏิเสธไหมความฟุ้งซา่านเห็นใจที่มันพยายามไปไปต่อสู้กดข่มความฟุ้งซ่านหรือเปล่านอกปฏิบัติส่สวนใหญ่ไม่เห็นเพราะไม่เห็นก็เลยทุกเนี่ย แต่ไม่ใช่ทุกเพราะความฟุ้งซ่านนะทุกเพราะใจไม่ยอมรับความฟุ้งซ่านใจมันพยายามไปกดข่มไปต่อสู้กับความฟุ้งซ่านและพอสู้ไม่ได้หรือว่ามันไม่ยอมหายก็ยิ่งผิดหวังยิ่งไม่พอใจรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้แพ้อันนี้แหละที่มันยิ่งเป็นทุกข์นะเพราะเวลาเราปฏิบัตินี่เรามันจะมีความรู้สึกเป็นตัวกูของกูเกิดขึ้นกูต้องชนะกูต้องสามารถ กดข่มความฟุ้งซ่านนะกุต้องสงบพอมันอย่างนี้ขึ้นมาแล้วจิตมาเป็นอกุศลเนะพราะจิตเป็นอกุศลก็มันก็หม่นหมองกันนะมันก็ไม่มีความโปร่งเบามันจะหนักเน้นขันต้อ ง, ตงการปฏิบัตินะโดยเพราะการเจริญสติคือว่ายอมรับความจริงนะยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นไม่ว่าบิกหรือลบมันฟุง้งซ่านมันเครียดก็เออก็ยอมรับมันแต่ไม่ใช่ไปทําตามมันนะ มันเกิดความโกรธขึ้นก็เออก็ยอมรับมันหมายความว่าก็ดูมันไปมันจะโกรธกโกรดไปนะแต่ฉันไม่ไม่บ้าไปกับมันด้วยนะฉันจะไม่ทําตามคําสั่งมันแต่ขณะเดียวกันฉันก็ไม่ไปลังเกียดเดียดฉันฉันนี่ที่จะไปกดข่มมันใหม่ๆก็คงจะทําให้วางใจเป็นกลามแบบนี้หรือยอมรับความจริงแบบที่ว่านี้ไม่ค่อยได้นะเพราะว่าที่ผ่านมาเรา ใจเราเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นกลางกับอะไรสักอย่างเลยถ้าไม่ผักสายก็ไขว่คว้าถ้าไม่รักก็ชังถ้าไม่ไปกดข่มก็หมายยึดครองเราจะมีปฏิกิริยาแบบนี้ตลอดเวลาเหมือนกับเวลาเราเจออันตรายเนี่ยนะเจออันตรายเช่นเจอสัตว์ไล่เนี่ยนะเราก็จะทำสองอย่างโดยสัญชาติยานคือว่าไม่สู้ก็หนี ไม่สู้ก็นหนีแต่ถ้าเป็นของดีก็อยากจะเข้าไปหาเข้าไปเข้าไปเป็นเจ้าข้าเจ้าของมันไอประเภทดูเฉยๆนี่ยากเนี่ยคนที่ไปเที่ยวห้างเนี่ยเห็นอะไรก็อยากจะซื้ออยากจะอยากจะจ่ายอยากจะมีไอประเภทดูเฉยๆนี่ไม่เคยมีหรอกเพราะว่าสัญชาติยังเราเป็นอย่างนั้นก็คือว่าเราจะมีปฏิกิริยาในทางใดทางหนึ่งเสมอถ้าเป็นของไม่ชอบเป็นอันตรายก็ไม่สู้ก็หนี ปเปิดเผว่าอยู่นิ่งๆยากนะทางต่างที่บางทีอยู่นิ่งๆนั่นแหละปลอดภัยเมื่อสองอาทิตย์ก่อนมีเด็กคนหนึ่งไปเผลอนอนอยู่ในรถที่นั่งตอนที่ตอนสามรถมีมีสามตอนก็ไปไปนอนหลับอยู่ในตอนท้ายปอกกว่าจู่ๆโจ น, นี่มันก็เข้ามาเข้ามาขับรถเข้ามา ยึดรถเท่นั้นเราขับวิ่งหนีขับหนีไปเลยนะเจ้าของนี่ตกใจตกใจไม่ใช่เพราะกลัวรถหา ย, ยาเดียวนะแต่ว่าลูกสาวตัวอยู่ในนั้นด้วยแล้วถ้าโจรมันรู้ว่ามีเด็กอายุสิบสี่อยู่ในหลังรถนี่มันก็คงจะทำร้ายหรือคงจะทำมิดีมิลายแต่ว่าเด็กคนนั้นก็มีสติมากแ่นที่เ้าจะร้องโวยวายอะไรเขานิ่งนะแล้วเาก็พยายามสื่อสารกับแม่ ทางด้วยการส่งเมสเซจเขารู้นะว่าแม่คงจะต้องโทรศัพท์มหาหาเขาก็เลยปิดปิดเสียงให้มันเงียบนะสติเข้ามาทันทีเลยเพราะว่าถ้าโทรศัพท์ของเขาดังโจมันก็รู้เลยว่ามีเด็กอยู่ในหลังรถอาจจะเอาตัวไปเรียกค่าไถ่นะราคาแพงกว่ารถอีกอเดียกเขารู้เดี็กเขามีสตินะเขาก็นิ่งแล้วก็เขาก็พยายามปิดเสียงโทรศัพท์แล้วก็สื่อสารกับแม่ เขฟังเสียงแม่แล้วก็สื่อสารกับแม่ทางเมสเซจก็ปรากฏว่าโจนมันก็เลยไม่รู้ว่ามีเด็กผู้หญิงคนนั้นอยู่ในรถพอมันเรถไปจอดเพื่อที่จะไปทําอะไรก็ไม่รู้เด็กก็เลยบอกแม่ให้ให้รู้ว่าตอนนี้รถจอดแล้วนะก็สุดท้ายก็สามารถจะจับโจนได้แล้วก็รถก็กลับคืนเจ้าของเด็กก็ปลอดภัยนั่นเด็กก็นิ่งแต่ธรรมดาคนจะไม่นิ่งอย่างนั้นหรอกเพราะว่า ก็จะทำสองอย่างคือไม่สู้ก็นหนีหนีก็อาจจะหนีด้วยความบวยวายต่อสู้หรือขัดขืนก็เสร็จเวลาถูกจี้ก็เหมือนกันนะไม่สู้ก็นหนีถ้าหนีไม่ได้ก็สู้บางทีก็โดนก็แทงเนาะแต่ว่าจะนิ่งนี่ยากนี่เป็นธรรมชาติหรือสัญชาติขอมนุษย์ที่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งต่างๆไม่บวกก็ลบไม่ชอบก็ชังไม่สู้ก็นหนีไม่ผักสายก็ไ ข, ขวคว้า แต่ว่าที่จะให้วางใจเป็นกลางนะดูมันเฉยๆเนี่ยยากแต่ทำได้และควรจาเป็นต้องทำด้วยเพราะว่าเวลามันไม่ว่าจะมีสิ่งลายๆเกิดขึ้นจากภายนอกตัวเราหรือว่าเกิดขึ้นในใจของเราเช่นความเกลียดความโกรธความเศร้าความท้อแท้ความเหงาความเบื่อคนเป็นโรคเบื่อกันมาก เหงาก็เป็นกันเยอะถ้าระวังจะเป็นกลางกับมันดูมันเฉยๆมันจะอยู่ก็อยู่ไปนะก็ไม่ไม่ไปผักใสกดขมมันลองฝึกดูมันเฉยๆดูบ้างดูเฉยๆหรือว่าจะ ท, ทําทีไม่สนใจมันบ้างก็ได้มันจะช่วยลดความทุกข์ไปได้เยอะเราจะอยู่กับความโกรธโดยอยู่กับความเกลียดความเศร้าความเบื่อก็ได้ โยมก็นั้งสามารถจะเป็นมิกับมันก็ได้ถ้าเรารู้จักที่จะดูมันดูไม่เป็นก็เป็นเรื่องเดียวกับสตินั่นแหละนะสะติคือการที่เรานะเราเห็นอย่างที่มันเป็นโดยที่เขาไม่ไม่ไปผักสายไม่ไขว่คว้าดูมันอย่างที่มันเป็นก็ยอมรับมันอย่างที่มันเป็นหรือว่าวางใจเป็นกลางกับสิ่งเหล่านี้นอกปฏิบัติที่มีความเครียด เพราะว่าความฟุ้งซ่านเพราะความเครียดเนี่ยลองฝึกนะวางใจเป็นกลางดูอาจจะใช้ขติว่าใช้คาถาว่าช่างมันก็ได้ช่างมันไม่เป็นไรมันจะมีไปก็ช่างมันจะกลัวก็ช่างมันจะเบื่อก็ชั่งมันจะเครียก็ชั่งมันจะฟุ้งก็ช่างมันฉันก็ทำของฉันไปเรื่อยๆนะแล้วดูซิว่ามันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ไออารมณ์พวกนี้มันอยู่ไม่นานนะแต่ที่มันอยู่นาน พอเราไปต่ออยู่ให้มันพราะเราไปมันเหมือนกองไฟที่ไม่นานก็ดับแต่เราไปเติมเชื้อให้มันและที่เราไปเติมเชื้อให้มันนี่ไม่ใช่เพราะเราพิษสวัดมันนะแต่เพราะเราไปพยายามกดข่มพยายามไปไปยุ่งกับมันนะก็เหมือนกับว่าเป็นการให้อํานาจกับมันลองสังเกตดูวเวลาเราโกรธใครนะเราเกลียดใครก็ตามเนี่ยนั่นก็คือเรากําลังให้เขามีอํานาจเหนือเราเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นเขาเราจะรู้สึกเผาเรารู้สึกร้อน ขาพูดแต่ละคำนี่มันจะทิมแทงใจเรานั่นคือการที่เราให้อำนาจแก่เขาเหนือเราถ้าเราไม่อยากให้เขามีอำนาจเหนือเราก็ทำใจเป็นปกติเมื่อใดก็ตามที่เราวางใจเป็นปกติกับเขาหรือที่เราวางใจเป็นกลางเขาก็จะไม่มีอำนาจเหนือเราต่อไปเห็นหน้าเขาเราก็เฉยๆเขาพูดอะไรไปเราก็เฉยๆ เขาได้ดีเราก็อาจจะเฉยๆหรืออาจจะยินดีได้ซ้ําในทางตรงข้ามถ้าเรากดเกลียดเขายิ่งเขาได้ดีเรายิ่งโกรธยิ่งยิ่งขุนยิ่งเครืองนี่เรากำลังปล่อยให้เขาเมียอำนาจเหนือเราแล้วถ้าเราไม่ชอบเขาก็อย่าให้เขาเมียอำนาจเหนือเราโดยการที่เราวางใจเป็นกลางนั่นคนเราที่นักปฏิบัติเนี่ยนะอย่าไปยึดติดกับความดี จนประเภทว่าไม่ยอมให้ความโกรธความเกลียดความอิจฉามันเกิดขึ้นหรือความเครียดมันเกิดขึ้นอย่าไปติดดีขนาดนั้นมันเป็นธรรมดาที่มันจะต้องเกิดขึ้นรวมทั้งความหลงความเพลอสติแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติทันท่วงทีแล้วก็มันจะช่วยทำให้เราเนี่ยวางใจเป็นกลางกับสิ่งนั้นหรือว่าเห็นมันแล้วก็จัดให้มันอยู่ในขอบเขตก็คือว่ามันทาอะไรเราไม่ได้ มันก็อยู่ของมันไปเดี๋ยวมันก็หายไปเองถ้าเราไปต่อสู้กดข่มนะเรายิ่งเป็นทุกข์นะทุกข์เพราะว่าทําไมปฏิบัติทํามแล้วยังโกรธอยูนะ่รู้สึกผิดนะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองบ้างหรือว่ารู้สึกร้อนรุ่มเพราะว่ามันไม่ยอมหายโกรธสักทีความเครียดเราทนได้แต่ที่เราทนไม่ค่อยได้เพราะว่าใจไม่ยอมรับความเครียด ความฟุ้งจริงเราก็ทนได้แต่เราที่เราทนไม่ได้เพราะเราไม่อยอมรับความฟุง้งเราอยากจะให้ใจสงบไววๆให้หายฟุ้งซ่านให้เห็นอาการเหล่านี้นะความอยากจะให้มันสงบความไม่ชอบที่มันฟุ้งซ่านเพียงแค่รู้มันมันก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นการเจริญสตินี่มันมันดูหลายชั้นนะทีแรกก็เห็นความฟุ้งก่อน เห็นความเบื่อเห็นความเครียดแต่ถ้าไม่เห็นนะมันก็จะมีอาการต่อสู้ปฏิเสธรังเกียจใ้ความเครียดความฟุ้งเหล่านั้นก็ยังไม่สายที่เราจะมามามีสติเห็นจิตที่มันปฏิเสธจิตที่มันรู้สึกเป็นลบต่อความเครียดความฟุ้งนั้นเมื่อเรามีสติเห็นปุ๊บเนี่ยมันใจก็จะเริ่มวางวางใจเป็นกลางได้อ น, นี้มันมันเครียดมันฟุ้งไปใจแล้วก็ปกติ ไม่ได้ทุกอะไรปกติในทค่นี้คือไม่ทุกนะแล้วก็จะเห็นมันดับไปในที่สุดอันนี้ก็เรียกว่าพูดล้วนๆคือมันก็เป็นเรื่องของการย้อนรับความจริงนะที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นแต่ก็ให้เข้าใจนะว่าอันนี้มันไม่ เ, เรื่องเป็นเรื่องการทำใจนะส่วนเรื่องของการในพุทธศาสนาฉันไม่ไม่ได้สอนเรื่องการทาจิตอย่างเดียวก็สอนเรื่องการทำกิจด้วยเชย่นเวลาเจ็บป่วย เราก็ยอมรับความเจ็บป่วยยอมรับว่าเจ็บป่วยแล้วนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่รักษายอมรับความเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าก็ยังรักษาตัวอยู่ไม่ใช่ว่าปล่อยเลยตมเลยเวลาประสบความล้มเหลวก็ยอมรับว่าล้มเหลวแต่ว่าก็ยังทำกิจต่อไปคือเริ่มต้นใหม่เพียงพยายามต่อไปใหม่ไม่ใช่ว่าหยุดอยู่กับที่ต้องแยกต้องแยกให้ดีระหว่างการทาจิตกับการทากิจ ในการทำกิจนี่มันก็ต้องทำแต่ทำด้วยใจที่ปล่อยวางใจที่ไม่ไม่ไม่ไปยึดมั่นถือมัน่นถ้าเราแยกแบบนี้ได้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความสมบูรณ์บางทีเจอปุปปักเจอความล้มเห ล, ลวเราก็ยอมรับนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเรายอมจำนนเราก็พยายามที่จ ะ, ะปรับปรุงแก้ไขเพื่อแก้ปัญหาต้องแยกให้ได้แล้วต้องทาให้มันเกิดคู่ไปพร้อมกันทา จิตแล้วก็การทํากิจแล้วก็ให้รู้ว่าที่พูดมานี่มันเป็นไปถึงการที่เราการฝึกเนี่ยมันเป็นการฝึกให้ยอมเนี่ยมันเป็นการฝึกเพื่อให้เรารู้จักทวนกระแสกิเลสเพราะกิเลสนี่มันจะมันจะไม่ยอมถ้าเราไม่ยอมตามมันเราก็ถูกมันครอบงําแต่ถ้าเรายอมเนี่ยมันก็จะจะเป็นการทวนกระแสกิเลสมากไม่ว่าจะเป็นมานะเป็นตันหาทิฐิแต่ถ้าเป็นเรื่องของ ความดีความถูกต้องนี่บางทีก็ยอมไม่ได้นะมันก็ต้องยืนหยัดไม่ใช่ว่าจะยอมตะพึ่งตะพือไว้ไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของความดีแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องยืนหยัดแต่ว่ายืนหยัดนี่ก็ไม่ใช่ยืนหยัดด้วยความยึดมั่นในตัว ก, กูของกูนะเพราะบางทียืนหยัดแล้วนะี่มันจะมีความสึกกูต้องชนะกูต้องชนะแม้ว่าจะเป็นเรื่อ ง, องการทําความดีแต่มันจะมีตัวกูเข Bar ้ามาแทรกว่ากูต้องชนะกูต้องชนะกูต้องเป็นคนดี อันนี้มันก็เรียกว่าปล่อยให้มานักเข้ามาครอบงาแล้วต้องระวังอย่าให้ตัวกูเข้ามาเข้ามาเป็นตัวผักตันหรือว่าชกใหญ่อยู่เบื้องหลังให้เราทํำพ่อเ ป, เป็นเรื่องความดีจริงๆไม้จะพ่อมีตัวกูอยากจะเป็นผู้ชนะจะยอมแพ้ไม่ได้อันนั้นไม่ใช่เอาละคำนี้ก็พูดกันเท่านี้กลับมาพร้อมกัน